ตนี่ บ, บฟังคำพูดอีกสักครื่องชั่วโมงคนก็เวียนไปเวียนมาผ่านไปผ่านมากันเดือนนี้ก็จะหนาตาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันวิสาขาบูชาน่นะส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ มาคอ7วันหรือว่าเตรียมฝึกปฏิบัติธรรม40วันกลมทยอยมาบ้างแล้วเดี๋ยวเก็บอารมเข้มมีความชัดเจนเรื่องหลักปฏิบัติพอที่จะฝึกตนได้แล้วบ้างเดินอยู่กลมเป็นนั่งสร้างชางหวเป็น นกากโอกาศที่มีการกาหนดกัน40วันจะได้ทำมันตั้งแต่วันแรกวันสุดท้ายเลย40วันที่เขากาหนด40วันก็เด้ทห็นได้ว่าปฏิบัติแล้วหวังผลเรื่องรูปนามได้40วันทำอะไรให้มันคุ้นก็ต้อง7วัน7เดือน างั้นนะทำอะไรเป็นนิสัยต้องอย่างน้อยๆ21วันขึ้นไปได้นิสัยแต่ว่า4ี่สิวันเนี่ยมันมีประสบการณ์ซ้ำๆที่กลับมาดูกายดูใจจนเห็นธรรมะเบื้องต้นเลยรู้รูปธรรมนามธรรมเนะี่ยสติปัฏฐานมาเริ่มต้นที่จะออกดอกออกผลกลุ่มเจวัน เราก็มาเพราะว่ากิจการมันมันพอที่จะมีเวลาอยู่เจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์มันพอที่จะปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจสัก3ามวันหลังจากนั้นวันที่สี่ห้าหกหรือว่า 5, 6, ห้าหกนมันจะเก็บเกี่ยวมันจะปรับตัวกับอากาศที่นี้จะหนาวสักนิดหนึ่งเช้าๆเนี่ยอากาศเย็ยนทีเดียว มาวันถึงกันหนาวเลยยี่สิบีเอ็วงศาร์ถ้าฝนตกหนาวกันหนาวแล้วมัต้องปรับเนื้อปรับตัวกับการสวดมนต์ทำวัดบางทีก็ไม่เคยได้สวดกันหรือว่าไม่เคยสวยดกันบางทีก็ต้องปรับตัวแม้กระทั่งเข้ากับเสียงเสียงสูงเสียงต่ําดทีพูดนำสวดกับเสียงต่ํา บางทีเพื่อนำสวยก็เสียงสูงเราก็ปรับการหารการกบฉันกันปรับการตื่นแม้ั้งรูปแบบปฏิบัติก็เหมือนกันบางทีเราเคยฝึกยืหนอพองหนอส้ำมาละหังพุโทโธอีกมากวายมันก็ต้องมาปรับ ฝึกแนวเคลื่อนไหวกันสร้างจังหวะกว่าก็จะคุ้นกับประมาณสาสี่วันน่นนะกับอาหารการกบฉันนะเคยรับทานอาหารเย็ น, ยา น, นมามันไม่ได้รับทานอาหารกันตอนเย็ น, นก็หิวอะนะอยู่วันสองวันก็จึงมีลัษณะของกําหนดประจำเดือนเจวันเพื่อคนได้มาฝึกมาหาดกัน ตามกำลังของศรัทธาตามกาลังของสติของปัญญาบางทีก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรกันหรอกนะแต่ว่าเป็นคนมีปัญญาอยู่กับโลกก็เห็นโลกอยู่แล้วบางคนมีประตูหนึ่งสองสาบางคนหนึ่งสองสามล้อมหน้าล้อมหลังเรอยู่ก็เดียวันเหงาเหงาว่าเวสับสนบอกไม่ถูกไม่รู้าขาดอะไรหายใจก็ไม่อิ่ม ถอนหายใจกี่โมงแล้วกินอะไรดีเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนเมื่อไหร่นี้จะหมดเมื่อคิดมากมายอะเวลาอยู่คนเดียวสับสนทั้งๆ ก, ก็มีลูกมีหลานมีทรัพย์มีอะไรหลายๆอย่างบางทีก็ปรุงปุงแต่งๆมากมายเหลือเกินการใช้ชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆ บางทีใช้ชีวิตคูนะ่อยากจดทะเบียนแลอยากอยา่าอยากเลิกนะบางทีทำงานอยากทำงานสอบเข้าได้ก็อยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากเรียนต่อสรพัดเลยบางทีก็ตีความไม่ค่อยถูกเช่นบางคู่ก็เห็น สามีเอาทะเบียนสมรสมานั่งดูพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วยิ้มจะคิดว่าเออสามีก็ก็มีความรักทนุถนอมมาดูทะเบียนสมรสดูแล้วดูอีกคงจะระลึกถึงวันแต่งงานอย่างงี้ดูไปดูไปก็อดถามไม่ได้พี่ ดูทะเบียนสมรสทำไมพี่ยิ้มมีความสุขรักน้องมากใช่ไหมแต่มี่านมาตอบว่าก็ดูหาวันหมดอายุวันหมดอายุวันไหนยังก็อยากให้ฟังเฉยๆนะวิธีคิดไม่ตรงโลกนี้เป็นอะไรมากมายแล้วก็แหละมันคกงมันไม่ได้ทุกมาวัดเพราะมีความรู้สึกว่ามันมีวิชาการ ในโลกนี้อีกเช่นวิชาอุโศาสนาวิชาจริตสติพฐานวิชากรรมฐานเราเรียนรู้มากมายที่เป็นลักณะของกรรมที่กาหนดเป็นอาชีพต่างๆในวงการการศึกษาแบบโลกโลกเช่นปริมา ก, กรรมสถาปัตยกรรมวิศวกรรมหรือว่า กสิกรรมกรเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอีกมากมายเหลือเกินอุตสหาหกรรมนวัตกรรมต่างๆอันนั้นคือหาตัวพางะนะแต่บัด น, นี้เรามาที่นี่เราก็ฝึกฐานของกรรมหรือเรียกว่ากรร ม, มาฐานเป็นการฝึกสติให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาทุกครั้งที่มันมีสติปัณณานะมันจะเป็นสติที่พึงได้จริงๆ มันจะอ่านกายอ่านใจแล้วก็สามารถที่จ ะ, ฉะเฉลยจนได้คำตอบว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ความทุกขนะ์ที่เราใช้ชีวิตมันเกิดขึ้นมาแต่ละขณะที่เราหลงที่เราไม่รู้เน ร, รู้ตัวรว้ภัยต่างๆในโลกนี้มีภัยมากมายเป็นภัยที่ทำให้เราสุขสุขทุกๆวัตถะภัยอากีภัย กุตกภัยธรณีพิัพภัยมินาตัตภัยอุบัติภัยอย่างเช่นเราดูข่าวหนังสือพิมพ์รับรถกันมาดีๆสพาย ล, ลอยพุธมทนซอยสามหล่นลงมาทับรถกระบะตายคาที่รถน้ำ ม, นมันมันเกี่ยวลงมาอย่างนี้นมันเป็นภัยมากมายเหลือเกินโลคาภัย จภัยภัยิมเกิดขึ้นไหมาลาชภัยราชภัยคือภัยที่เกิดจากการขูดรีดทรัพยากรจากทางราชการหน่วยงานรัฐบาลต่างๆลาชภัยที่เราจะฝึกต่อไปนี้คือภัยที่เรียกว่าวัฏฏสงสารสังสารวัฏอันยาวไกลมันเกิดกับพวกเราแล้ว มีําเปรียบเทียบจริงหรือไม่จริงไม่แน่ใจอันนี้จะจำมาพูดให้ฟังแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นมีศรัทธาอยู่มีความเชื่ออยู่ก็บอกว่าเราเกิดมาเปนลูกอีกพรกปิชาติเว่างั้นนะเกิดจากท้องแม่ตายจากท้องแม่จนกระดูกกระดูกเนี่ยพวกเขา ภูเขาชื่ออะไรต้อชื่อจำชื่อไปเลยเวลปูละเล็กกว่าขนาดภูเขามันเล็กกว่ า, าแสดงว่ากองเล็กๆของเรานะมันกี่กองกันเท่ากับภูเขาเรากัหรือว่าน้ําตาที่เราร้องไห้กันมาสมหาสมุทรรวมกันนะเขบอกว่ามันน้อยกว่าเราลองแต่ละทีแต่ะทีมันก็ กี่มันแล้วมันนะแล้วรวมกันจะมีสี่มหาสมุทรรวมกันในโลกนี้มีคี่มหาสมุทรนะมารวมกันแล้วน้อยกว่าน้ำตาของเราที่เกิดมาก็แสดงองอกมันเวียนว่ายตายเกิดจนนะอันนี้เรื่องของร่างกายซึ่งเป็นมหาปูตา ร, รูปเกิดจากท้องแม่ตายจากท้องแม่มันก่อเวีนก่อกรำทํากำทําเวีนมากมาย กรรมดีก็ทำกรรมไม่ดีมันก็ได้ทําการคิดการพูดการทํากระทบกระเทือนกระแทกจนประทับอยู่ในบัญชีหนังมาหน้าบัญชีแผ่นทองคําเผอเผลอไปคิดขึ้นมาเป็นรอยอดีตรอยสุขเนี่ยเป็นรอยความคิดนะนั่งอยู่ปัจจุบันนะแต่ว่ามันคิดไปในอดีตเป็นรอยของความสุขเป็นล้วเอาความสุขเก่าๆมาเส็บการทา่มันผ่านไปแล้วตายไปแล้ว ไม่เหลือสากแล้วแต่ยังเก็บเอามาคิดมาปรุงความภูมิใจความสาเร็จความสุขเก่าๆเขียแล้วก็นั่งฝันกลางวันยิ้มคนเดียวบางทีก็ฝันว่าปลายเดือนนี้จะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์ฝันกลางวันสักวันหนึ่งเธอสักวันหนึ่งเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีความสุขแต่ว่าปัจจเดนนี้ไม่เอามองข้ามช็อตไปได้ จริงๆปัจจุบันเนี่ยมันสร้างความสุขให้เราอยู่แล้วออกมาจากความคิดสิภัยวาา่าต่สงสารอันนี้เป็นลนักษณะของอุปทายารูปร่างกายเขาเป็นร่างกายของเราเป็นมหาภูถา ร, รูปแต่ว่าจิตใจเป็นอุปทายารูปภาษาศาสนากนําหนดไว้อย่างนั้นในตัวนี้แหละคือตัวปัญหาที่สร้างปัญหาคิดแล้วกนแล้วกุ้มคิดแล้วกังวลคิดแล้วกังเลสงสัย ตรงนี้แหละจึงออกมาจากความคิดฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวกัน<ม>เบื้องตน้นแหละสร้างสติสร้างการเคลื่อนการไหวของกายผลิตเจตนาเรกวกรรมกรรมนี่ต้องมีเจตนาเจตนามถึงจะเป็นกรรมทําไมเจตนามเป็นกตตกรรมเป็นธรรมชาติเป็นกรรมที่ไม่ผลฟ้าผ่าไม่ใครจับติดคุกหรอกน้ําท่วมกันเหมือนกันไฟไหม้กัเหมือนกัน สะพาน ล, ลอยหล่นมาทับนั่นเพราะสิบล้อมันเกี่ยวรถน้ํามันอันนั้นจะเจตนาไม่ได้เจตนาถือว่าขับรถโ ด, ดยประมาทอยู่แต่ตัวสะพาน ล, ลอยตัวปูนเองไม่รู้เรื่องเลยหรอกอนกันนคือธรรมชาติอยู่ๆเสาไฟฟ้าหดหักโค่นลงมาลมพัดมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมันก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าอ๋อมันมีกรรมมีธรรมชาติ ทำกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วคิดดีก็ดีคิดชั่วก็ชั่วแต่ว่ากรรมาฐานไม่ใช่ดีแล้วไม่ใช่ชั่วเป็นธรรมชาติเป็นธรมนรมะก็จึงมาฝึกกรรมาฐานกันก็นกไก่หานอากาศมอมา้าถ่อซนฐานจละอาแล้วก็นอนหนูกรร ม, มาฐานในตัวมัดกัมอมา้าหาอากาศแล้วตพัตักกรรมมัฐาน อันนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติแล้วได้เหนอาการณ์ของกายของใจเรากายมันนั่งมันเดินมันยืนมันนอนแก่มันเจ็บมันตายเทวคีเราสวดการเรียกว่าเทวทูตเทวทูต4การแก่การเจ็บการตายปกติแก่ก็กลัวแก่สองซ้ายก็เห็นดินกาสองขวาก็เห็นรอยย่นสองกระจกนะ แล้วก็เลยบางทีก็ยามตกแต่ง ส, งสวยงามอย่างเร็วๆนี้อาตมาก็สังเกตมีอยู่คนหนึ่งนะขอญาตเล่าให้ฟังนิดหนะึงเขาก็มากันจากกรุงเทพอะ่ะแล้วเขาก็ก็อนะายุประมาณสักเกือบเกืแปดสิบแล้วนะแต่คนกรุงเทพอายุประมาณแปดสิบเนี่ดูไม่รู้เลยว่าอายุจะแปดสิบแล้วเนะี้ยแล้วก็เห็นเขามีคิวอยู่ แต่เขาเอาแป้งรองพื้นนทาลบมันไม่เห็นคนสีดําแล้วก็มาเขียนคิ้วอยู่ตรงเนี้ยตรงหัวเถิบเถอบตรนี้ยคือคงจะปรับสมดุลให้มันพอดีนะยอมนะเอามาก็ดูอนั่นก็คือเขาปรับการอยู่สังคมอยู่กับชุมชนนะครับปรับว่าสมมติว่าสวยสมมุติว่าไม่สวยคือง่ายๆกลัวแก่นะก็กลัวแก่บางทีเราเห็นกลัวเจ็บ กลัวเจ็บเช่นเด็กหมอจะฉีดยาตัวเองก็เคยเป็นอย่างนั้นนะหมอจะถอนฟันเราก็กลัวไปก่อนกลัวก่อนกลัวทุกก่อนทุกพวกนี้มันเจ็บก่อนเจ็บเราก็เห็นนะเออบางทีมันก็กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตาย น, นี่ไม่ต้องพูดถึงกลัวตาย มันเห็นอะไรบางทีมันก็หวาดกลัวอย่างเช่นคืนนี้บางคนอาจจะกลัวความมืดอย่างประชามินนักแบบธรรมอยู่คนหนึ่งตั้งใจว่าจะมาอยู่เดือนหนึ่งเป็นหมอเลยนะหมอกรณีเขาลาออกจากหมอทุกทํางานแล้วไม่ได้หลังใจเสร็จแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ขาดกัลยาณมิตรขาดคนให้กําลังใจมาอยู่ประมาณสิบห้าวันปรากวา่ามาเช้าไปลา เราก็นึกว่าเป็นคนจีนเพราะจำหน้าไม่ได้คนมากันเยอะเหลือเกินนึกว่าเป็นคนจีนมาจากประเทศจีนพอดีนี่มีคนจีนอยู่ด้วยเก็บตัวเงียบเงียบเราก็เลยไม่ยุ่งเลยไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้พักไม่ได้ถามแต่พอเชาพอเวลาปั๊บอา้าวเราเคยรู้จักนี่เนละเห็นใกล้ๆจําหน้าได้ก็บอกว่าตั้งใจจะมาสักเดือนหนึ่งแต่ปรากฏว่ากลัวมากทุกคืนนะอยู่มาสิห้าวันกลัวทุกคืนเลยเราก็ไม่ได้พักอยู่ตรงไหนนะพักอยู่ตรงจัลาหน้านี้เอง พักอยู่ตรงสลาหน้านะกลัวมากๆา ก, กลัวที่จะนอนคนเดียวตอนกลางคืนเพื่อนร่วมห้องก็มีมัเอ้เพื่อนข้างห้องก็มีเหมือนกันแต่ว่าความกลัวนะคิดแล้วกลัวนะมันแรงแล้ว ก, กลับไปแล้วก็เลยบอกว่าเมื่อเราตั้งจิตธิ้ฐานไว้นะตั้งศัจจาว้ในใจว่าจะมาเท่าไหร่ควรมาให้ถึงคราวหน้าคราวหลังไม่จะได้ทำอะไรแล้วก็รู้จักคิดนะ รู้จักที่จะทบทวนไข่ครววแล้วก็ตั้งใจทําอะไรก็จะมีความสําเร็จอันนี้พอทํางานไม่ชอบงานกล็ลาออกเห็นไหมพอมาวัดตั้งใจมาอยากมาท้ายสุดก็อยากกลับธรรมะตันหาตันหาพามาตันหาพากลับของเราก็จะได้เจอถ้าสร้างการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะพลิกมือรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวเนะี่ย ถ้ามันหลงไปอยู่ความคิดเนะ่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาทีเดียวเหมือนกับหลวงพ่อขริยท่านเคยเล่ให้ฟังในการเทศหลายครั้งร่วมบทสนทนาท่านก็บอกให้พระไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมแต่ว่าก็ว่ามีอยู่รูปหนึ่งท่านก็เอารองเท้ามาตีหัวตัวเองว่าทําไมมันคิดมันคิดทําไมมันคิดทําไมนักมันหยุดคิด ให้มันหยุดคิดสักทีอะไรเงีนนะ้ยก็สั่งมันมันก็ไม่ได้ฟังหรอกจนลำคาญตัวเองเอายกเท้ามาเคาะศีษาตัวเองอีกคนหนึ่งก็มากราบหลวงพ่อว่าผมไม่อยู่แล้วครับผมจะกลับแล้วหลวงพ่อก็บอกดูดีๆอะไรมันพาให้มานะ่ยดูดีๆอะไรมันคิดให้กลับบ้านอะไรอะไรมันสั่ง ดูดีๆไปเดินจงกรมไปหลวงพ่อให้ไปเดินจงกรมไปนั่งสร้างจาังหวะต่อปฏิบัติธรรมเจา้าร้านลุ่งขึ้นนะมากราบหลวงพ่อมากราบว่าผมเห็นแล้วครับผมเกือบเชื่อมันนะนี่ถ้าผมเชื่อมันนะผมคงได้สึกแล้วก็ออกไป ก็จะเอาปืนไปขอจากลูกชายพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะไปยิงคนสองคนจะไปฆ่าคนสองคน <c oughs> ผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับแล้วก็มากราบแล้วก็ความเขียนแล้วก็บวชต่อจนตลอดชีวิตน่อีกหลายปีผ่านม <c oughs> าพอเห็นความคิดตัวเองที่มันสั่งมนสั่งให้นั่งก็นั่งให้ลุกก็ลุก มันสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามมันมาตลอดไม่เคยรู้เลยพอมาเห็นความคิดก็โอ้มันก็เลยไม่มีอานาจไม่มีอิทธิพลบางทีความคิดทำให้เราหัวะความคิดทำให้เราร้องไห้คนรักเป็นคนเกลียดกันอย่างเงี้ยนะความรักก็นความร้ายจอมโจรเป็นจอมใจไอ้ที่เกลียดก็เป็นรักไอ้ที่รักก็เป็นเกลียด เราก็เลยมารู้จักกันความคิดที่มันคิดล้โกรธแล้วโลภและหลงคิดละวรักและชังคือเราอิจฉาริษยาคิดแล้วก็มีมา ย, ยามากมายเหลือเกินมันเป็นภาพที่เกิดจากนะการปรุงการแต่งถ้าหลงเข้าไปนะมันก็เป็นเรื่องยาวนะเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาขึ้นไหมนะพอเราฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็เรื่องใหญ่ไปเรื่องเล็ก ปัญหากลายเป็นปัญญาขึ้นไหมมันจะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติถูกมีความถูกต้องต่อเนื่องปฏิบัติถูกตรงนี้เราก็ได้เห็นธรรมะหรือว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นอาการต่างๆมากมายเหลือเกินร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตต้องคิดต้องโปร่งไปอดีตบ้างอานาคตบ้างมีอารมณ์ความหลงความโกรธความหลงความรักความชัง สุขสุข ท, ทุกทุกพอใจไม่พอใจยินดียินไล้ชอบไม่ชอบมันจะแดงออกมาตรงนี้เราจะได้สั่งตัวเองสอนตัวเองสั่งจิตสอนจิตให้มันมีสติตรงนี้แหละเป็นบทเรียนวิชากรรมฐานที่จะต้องเรียนกันในช่วง7วันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมาแล้วก็วันกลับวันนี้เราไม่ต้องไปคิดถึง เราบทเรียนมาปฏิบัติสิ่งที่เพได้ให้ใจมีสติรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ไกลนะใจก็จะเป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งก็ปกติครั้งหนึ่ง2วินาทีก็ปกติสองครั้งขณะเดียวรู้เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆมันจะสั่งสมแต้มของสติ สังมพื้นที่ของความเป็นปกติของเจนเน็มนจะเกิดกําลังใจขึ้นไหใครที่เคยท้อแทนะ้หมดกําลังใจนะลองฝึกสติดูมันจะมีพื้นทีนะ่ที่มีพลังเกิดขึ้นมาจากภายในขอ ง, ของใจใครก็ใจเราอะนะไม่ต้องให้คนอื่นมาให้กําลังใจเราก็ได้ถ้าฝึกถูกต้องแล้วต่อเนื่องนะ้ำจะเกิดพลังขึ้นมาข้างในเพื่อใจตัวเองได้มันเคยท้อแท้มันก็เข้มแข็งขึ้มันเคยหวั่นไหวมันก็มั่นคงขึ้น มันเคยเผลอใบอย่ามันก็รู้ใบขึ้นเนฝะึกแล้วฝึกอียดทาซ้ําๆมันจะเกิดประสบการณ์เป็นความชํานาญยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าั้งมีความฉลาดแล้วก็จะเหลียวคําว่าฉลาดในีนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องชาวบ้านหรอกนะเรื่องชาวบ้านเปนเรื่องของขย๊กชาวบ้านเขาเราเคยทรงจิตออกสนใจทางตาหูจมูกลิ้นเรื่ององชาวบ้านแบบ น, นี้กลับมาดูตัวเอง เพราะเราอยู่ที่นี่จึงไม่ต้องไปสนใจใครเรื่องของใครก็เรื่องของใครอะแต่เรื่องของเราคือฝึกฝวามรู้สึกตัว <นะ S 1> ตรงนี้ให้มากเท่าที่จะมากได้นะนะชุมชนจะเป็นยังไงเราก็สังเกตจากกิจกรรมกันแล้วกันเช่นตอนนี้ทาวัดเย็นอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่คนจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายกันส่วนนึงก็ปฏิบัติต่อของใครของเรา พรที่อยู่ประจําที่นี่ก็มีหรือว่าผู้ที่มาไม่ตรงกับคอร์สแล้วก็ปฏิบัติเองก็มีแล้วก็มีคนเก่าๆที่จานานแล้วแล้วก็มาแล้วมาอีกเย่างนี้อันนี้ก็มีอะไรทำกิจกรรมตัวใครตัวเราแต่ว่ากลุ่มแล้วก็เบื้องต้นมารวมตัวกันชี้นําหรือว่าแนะนําหรือว่าพูดคุยสนทนาเพื่อได้แนวคิดหรือว่าประเด็นของการปฏิบัติจับได้อย่างละล ะ, ละสั้นๆเช่น เราได้บอกรวมกันเลยบอกว่าให้เคลื่อนไหวรู้สึกนี่ยก็พูดครั้งเดียวได้ยินกันแปดสิบคนร้อยคนเลยไม่ต้องคอยพูดทีละคนเพราะงั้นการรวมตัวกันบางครั้งบางคราวบางขณะใ น, นเกิดประโยชน์ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นนะหรือว่าพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งตอนตีสี่แล้วก็มารวมตัวกันตอนบัดสวดมนต์มาก่อนละคฆังนิดหนึ่งคลองดังเมื่อไหร่ก็นั่นล่ะ แสดงว่าเริ่มต้นทําวัดกันทันทีหลังจากนั้นก็ไปรวมตัวที่ตอนจราหน้าขบฉันด้วยกันรวมตัวแล้วก็รวมตัวกันปฏิบัติในรูปแบบบ้างหรือว่ารวมตัวปฏิบัตินอกรูปแบบทํางานทําการล้างห้องน้ําเช็ดกวาดปัดถูดูแลขยะตัวชามลำไห้ต่างๆก็เรียกว่าฝึกละชั่วธรรมดีชําระจิตกันในรูปแบบก็เคลื่อนไหวรู้สึก วางหน้าวางตาวางกายวางใจนั่งเมื่อยกเดินเดินเมื่อยกนั่งเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้เราก็จะฝึกหัดจนกระทั่งต่างคนต่างมีประสบการณ์ของใครของเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราแต่ว่าจิตที่มันหลงไปคิดเนี่ยตัวนั้นไงพอหลงไปรู้สึกตัวแล้วเข้าไปคิดไปปรงุงจนกระทั่งเกิดความสุขความทุกข์ได้ไหม เราจะต้องรู้ทันแล้วรู้ทันอีกหรือว่ากลับมาอย่าไปยุ่งกับมันหัดเบื้องต้นความคิดไม่ใส่ใจไม่ไปหารายละเอียดไม่ไปวิเคราะห์ไปสังเกตไปคน้นไปคิดเพราะว่าพระเจ้าท่านบอกแล้วละ่ะตรงๆให้เราได้กระโดดลงไปเลยเช่นกายยานุปัสนาสีปฐานนีให้กระโดดลงไปเลยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายในกาย ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแต่ละขนณะนั่งเดินยืนนอนอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปแบบในประเทศไทยนี่มีเยอะนะ ส, ว น, สวนมอกสวนมอกสอนเรื่องอาณาปานาสติสายคุณแม่ศิลิสอนยกย่างเหยียบหนอสายหลวงปู่มั่นกับพุทโธสายสันเตียเอขอไปธรรมกายกับสัมมาละหังสันเตียศสกก็ถือศีลกินเจให้แข่งกลัด แต่มาที่นี่แนวหลวงปู่เทียนแนวเคลื่อนไหวก็คือให้เลืมตาปฏิบัติลืมตากระทบของจริงเลยเปิดหูกระทบของจริงเลยเสียงตุกแกเกแมื่อกี้ที่มันเกิดแล้วมาหายไปตอนเนี้บางคนฟังแล้วอาจจะกลัวก็ได้ว่าตามกดมีเยอะว่างทีเราจะกลัวมันให้รู้สึกว่าอ๋ออยู่กับมันได้ยอมรับมันก็กลัวเราเราก็กลัวมันต่างคนต่างรักษาชีวิตของกันและกันกันแล้วกัน เรเป็นผู้ที่ฝึกกรรมาฐานแล้วก็รู้สึกตัวกระทางตาตาโดูไม่ต้องคิดตาโดูไม่ต้องปรุงมันทําได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกไว้ก่อนอันนี้แนวเคลื่อนไหวการเดินจงกลมก็เหมือนการสร้างจังหวะนั่นแหละเท้าเคลื่อนไหวก็มือเคลื่อนอวัยวะของร่างกายเป็นท่าสี่อันเดียวกันรูลมหายใจนี่ก็ใช่เหมือนกันคือร่างกายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเอง ใหม่ๆเราฝึกเราก็เจตนากําหนดเจตนาเคลื่อนเจตนาไหวเจตนาไหวเจตนานิ่งเจตนาการสั่งแต่ละขณะนี่อันนั้นเป็นตัวสติสั่งมันก็จะค่อยๆขยายผลไปจนกรทั่งทําหน้าที่การงานเป็นเรื่องของสติปัญญาสั่งจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของสติปัญญา mm hmm. เป็นธรรมชาติ mm hmm. แต่ถ้าหากว่า มันไม่รู้สึกตัวนะอันนี้มันจะทําตามกิเลสสั่งเช่นคนติดบุหรี่เดี๋ยวมันจะหิวบุหรี่นะลงแดงบุหรี่เดี๋ยวมึงก็หาบุหรี่มาสูบหรือคนติดกาแฟนะเดี๋ยวมันก็จะหิวกาแฟแล้วก็ไปหากาแฟมาเสพนิโคตินหรือว่าคาเฟอนีนสั่งหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินคนติดโทรศัพท์มันก็จะดูโทรศัพท์ทั้งวันนะนะ่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์นี่ทําให้ติดไนเะขาวิจัยมาแล้ว ชัดเจนแล้วกัน iPad เนี่ยเด็กเล่นแล้วติดอย่างเมื่อสวันก่อนนีอาดมาอยู่ที่กรุงเทพะนะบันนี้ก็กำลให้เด็กเล็กๆเล่น iPad เลยค็ น, นี้ก็เห็นเด็กเล่นลติดจริงๆแต่ว่าพ่อแม่เขามีวินัยกับเด็กก็บอกให้เล่นมีเครื่องเดียวแล้วแบ่งกันเล่นอันนี้ก็สร้างวินัยให้กับเด็กรู้าจักแบ่งปันอีกอันก็คือเล่นได้แค่น1นชั่วโมง ห้ามเด่นเล่นเกินนั้นถ้าหนึ่งชั่วโมงต้องวางทันทีถึงจะเล่นดีขนาดไหนก็ตามสนุกเล่นเกมเกมไม่ตายก็ต้องวาง<ม>ก็สร้างเงินไขสร้างวินัยให้กับเด็ก<ม>แล้วให้เด็กได้เอาประโยชน์จากการเล่นเกมบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้ามีสติปัญญาเอาประโยชน์จากมันนะเกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันเกิดปัญหาเกิดโทษได้<ม>ทุกอย่างเลยในโลกใบนะี้ แปเวลาฝึกสติเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นที่ฐานกายให้ได้ก่อนเอาให้ติดตรงนี้สักเจวันนี้ติดได้7วันเจ็ดเดือนเจปีนะรู้ได้หรือว่าพอมันดูกายไปดูกายมามันจะรู้อาการต่างๆของกายของใจเนี่ยมันจะค่อยๆเมืันก็ว่าได้คําตอบของมันเองแต่าหากว่าปัญญามันเดินทางถูกต้อง การวางกายวางใจถูกต้องแต่ว่าใหม่ๆมันทําเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะมันจะออกมาอาการไหนก็ตามก็ยอมรับสภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่ถือว่าถูกไม่ถือว่าผิดบางทีเราวางกายนั่งนะ่ยเก่งเก่งไปเราสังเกตดีๆนะอย่างเช่นนั่งตอนนี้ก็ตามนะบางทีมันนั่งแล้วก็มีความรู้สึกเรามาปฏิบัติทำปับ๊บมันจะมีมาสทันทีเลยมันจะนั่งตัวแข็งแขงเก็งเกงแล้วกาหนด แน่นๆตรงนี้มันจะมีการซ้อนขึ้นมาก็คือเครียดนะเป็นผลปรยาข้างเคียงหรือว่าของแถมอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผิดแต่หมายถึงว่าเราสังเกตดูบางทีก็ผ่อนคลายบางทีก็ตึงไปภาษาศาสนาเรียกว่ากา ม, มาสุขาลิกายโยรอว่าอัตตากเรมฐานิโยถ้า ติดสุขก็เรียกว่าการมาสุขหาหรการโยคทำแล้วมีความสุขติดสุขทําอะไรก็ตามสุขอยู่ไหนสมาธิจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือว่าสัมมาสมาธิตั้งมันถูกก็ตั้งมันไม่ถูกก็อีกเรื่องหนึ่งก็นี้เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวพลิกมือรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ใหม่ๆปฏิบัติจะเพ่งจี้จ้องอันนี้ไม่เป็นไรนะ แต่บางทีก็จะเผลอไปบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันเราใช้เวลาสักระยะ1นึวัน2วันสาวันมันจะปรับให้เราจะรู้สึกว่ามันมีความพอดีมีความผ่อนคลายแล้วก็สนุกเรียกว่าได้อารมณ์ปฏิบัติหรือว่าทำงานแล้วก็ได้อารมณ์การทำงานข้าวไปลองกินก็ไดาษแล้วว่ามันจะมีความรู้สึกอิ่มเรียกว่าบุญ น, นะนะถ้าปฏิบัติทำบุญที่เกิดจากภาวนาเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกอิ่มอิม จริงๆมันเกิดจากเหตุผลอันนี้นะเป็นเหล่าวิาสัยก็คือเวลาปฏิบัติธรรมมันออกมาจากความคิดคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะอยู่กับความคิดและคิดทั้งวันเลยคร น, นี้พอคิดมากเนื้อสมองมันใช้พลังงานเยอะเปลืองตัวสมองเองแกพลังงานได้น้อยที่สุดแต่ว่าใช้พลังงานอนะับเปรืองที่สุดก็เลยฉี่บ่อยคนคิดมากก็ชิวบ่อยถ้าคิดมากๆแล้วเครียดมันก็จะกินลดจัดอย่างเงี้ยนะ เปี่ยวจัดเผ็ดจัดหวานจัดเครียดจัดแล้วก็จึงได้เห็นว่าอ๋อเวลาออกจากความคิดบ่อยๆวันนั้งวันมันก็ไม่ค่อยได้หิวอะไรไม่ค่อยได้ใช้พลังงานตัวสมองเองนี่เที่ยวรับรู้ความรู้สึกของชาวบ้านเขาระบบภาษาต่ตางๆไปที่สมองรับรู้ความรู้สึกแต่ตัวสมองเองไม่มีความรู้สึกเวลาแพทย์ผ่าตัดสมองก็จึงไม่ต้อง ชีจาชาในเนื้อสมองอย่างนี้เพราะฉนั้นเวลาเราคิดมากๆนีมันใช้พลังงานในสมองเอยเยอะซีดซ้ายซีดขวาเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะได้เหมือนกับว่ามีประสบการณ์ตรงเ ห, เหมือนกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่เราทําความรู้จักกันนะก็ให้เป็นเรื่องของการฝึกสติแนวเคลื่อนไหวนะเป็นวิธีการเริืมตาแล้วก็ปฏิบัติใจธรรมชาติ เห็นอยู่มีเสียงอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งจิตออกไปสุกสุกทุกทุกท ก, กับเสียงเหล่านั้นว่าลำคาญใจหวาดกลัวมันรู้สึกที่เนื้อที่ตัวอยู่รู้ ก, การสัมผัสอยู่จะเห็นว่าจิตมันเฉยตรงนี้แหละฝึกจนชำนาญไปใช้เลยในการทำงานทำการต่างๆเรารู้สึกตัวเราก็ฟังได้ล้วก็ดูได้ ดูหนังดูละครก็ไม่อินเข้าไปในจอในละครนะอันนี้เรเกิดประโยชน์ทีเดียวจิตจะคืนสู่สภาธรรมชาติเดิมแท้เรียกว่าความเป็นปกติความเป็นปกติหนะรือว่าภาษาศาสนาเรียกว่าศีลศีลนะความเป็นปกติก็คือศีลนันะ่นแหละศีลที่เรารับกันวันนี้ศีลหศีล8ปดศีลสิศีลนะอะไรก็ตามที่วันนี้เราได้รับกันศีล2องร้ นิ่เป็นศีลของสังคมที่กําหนดร่วมกันตามสมบัติบัญญัติแต่ว่าศีลในความรู้สึกตั ว, นะ ม, ว ม, มันควบคุมมันคอบคุมมากไหมล่เกิ น, นเราก็จะเรียนรู้กั น, นไม่ต้องเชื่อนะแต่ว่าให้ทําลงไปเยอะๆะการกระทำเรียกว่ากรรมฐานะทําไปเยอะๆตัวใครตัวเราเราก็จะสอนตัวเรากันอย่างนนะอะไรใครที่ มาแล้วก็ขอให้อยู่มีความสุขมีความสุขตามพระวินัยอ่นะท่านใดที่ยังไม่มานะถ้ามีศีลนกะ็ขอให้มาอยู่ที่นี่ร่วมกันทำมาแล้วก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมีความสุขเราก็จะตั้งใจเรียนรู้นะศึกษาเรียว่าไตรสิกขาสติศีลสมาธิปัญญาวันนี้ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาแล้วนะสามอย่างเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นญานพาห น, นะเราก็ได้พึ่ง ไปสู่แดนที่เรียกว่าอุตรลธรรมโลอุตรทธธรรมนะแดนนี้มันเป็นแดนที่มันไม่ทุกข์จริงๆเป็นแดนที่มีศีลมีธรรมก็ขอให้ได้พบเจอาตามสมควรแก่การไปบัตโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนทั้นเิอ